เรื่องอุตราสง์ที่ทำจากผ้าบางสุกุลหนัก3 5มรสสมัยนั้นอุตราสง์ที่ทำจากผ้าบางสุกุลของท่านพระมหากรสปะหนักภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาต ให้เย็บดามด้วยได้